บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในเรื่องของอนิจจสัญญาคือการกำหนดหมายให้เห็นว่าขันทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงนั้นพึงสังเกตว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นปัญหาใหญ่มาก เนื่องจากความรู้สึกนึกคิดของคนโดยทั่วไปหรือสัตว์โดยทั่วไปนั้นจะยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจนกลายเป็นความเห็นที่ทางศาสนาเรียกว่าวิปลาสรือคลาดเคลื่อนมายุติด้วยความเป็นจริงที่แท้จริงตอนนี้เป็นเพราะว่าโดยส่วนลึกๆของจิตใจที่ท่านเรียกว่าทิฏฐิหรือความเห็นนั้น คือจะมองเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนไม่มีความเปลี่ยนแปลงความเห็นในแนวนี้ก็เป็นอาการของโมฆะคือความหลงหรือวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงในที่สุดไกาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นอาการทางจิตที่ปรุงด้วยกิเลสซึ่งสืบเสื้อสายมาจากอาวิชชานั่นเองจึงมีการกําหนดหมายสิ่งที่ เป็นของเราว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีความแปรผันไปกาหนดหมายสิ่งของที่เป็นรูปธรรมบ้างสิ่งของที่เป็นนามธรรมาบ้างแม้แต่ลาบยศสันเสริญสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนิทาจุกเพราะการที่เราไปมองเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันนั่นเอง เพราะพอส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นเราก็เป็นทุกข์เสียใจขับแค้นใจอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆคล้ายๆกับสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปแสดงเห็นว่าเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเชี่ยงแท้ไม่แปรผันแต่พอสิ่งที่เราต้องการปรารถนามันเกิดขึ้นก็ลงปลื้มชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดไป เราถึงแสดงอาการข่อยคว้าปรารถนาออกมาด้วยการต่างๆที่เป็นรูปของตันหาตันหาที่เด่นไปในทางมองเห็นว่าเป็นของเชื่องแท้นั้นก็คือเรื่องการมาตัญหากับภวะตัญ ห, หาการมาตัญหาการข่อยคว้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตนในด้านสิ่งที่เรียกว่ากรรมกุศลคือข่อยคว้าหารูปเสียงกลิ่นรสโรภชภะที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจ โดยมีความเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันนั่นเองโดยปรารถนาความมีความเป็นต่างๆโดยอำนาจของภาวะตันหาแต่จะถามใจตัวเองดูว่าเราต้องการเป็นสิ่งเหล่านั้นทําไมในส่วนหนลึกจริงๆก็จะมีความรู้สึกว่าการเป็นเหล่านั้นเป็นของยั่งยืนไม่แปรผันคือไม่มองในด้านแปรผัน ให้ความแปรผันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นแต่ใจจะไม่น้อมมาหาเราดังนั้นเวลาพบเห็นคนแก่ก็ไม่นึกว่าตัวเองจะแก่พบเห็นคนป่วยก็ไม่นึกว่าตัวเองจะป่วยพบเห็นคนตายก็ไม่นึกถึงว่าตัวเองจะตายก็ทําให้ชีวิตของบุคคลตกอยู่ในความไม่ประมาทที่ท่านสรุปรวมว่าประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคคือประมาทหมดเลยด้วยความเข้าใจว่า ตนนั้นเป็นของเชี่ยงแท้ทีนี้วิธีการสอนของพระพุทธเจ้านั้นเพื่สังเกตว่าจะสอนเจาะลงไปที่ความจริงในส่วนนั้นๆแม้แต่ระดับศีลธรรมจัญญาก็จะสอนให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นในส่วนที่ดีๆก็ส่งสอนให้พยายามเพิ่มพูนกระทาให้มากขึ้นเช่นในการเรียนการศึกษาก็ส่งสอนว่า มน์มีการไม่ท่องบนเป็นมนชินนี่ถ้ามองโดยเห็นก็คือสอนในเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เราจำก็คือสัญญานั่นเองแต่พอดีเป็นสัญญาที่เราต้องการแต่เพื่อให้แกดารงอยู่ได้ น, น, นานๆตามที่เราต้องการให้แกดารงอยู่เราก็ต้องมันท่องบนสาธยายอยู่สม่าเสมอเพราะสถานะจริงๆของแกนั้นแกไม่เที่ยง แกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพเมื่อเราต้องการให้แกอยู่เราก็ต้องพยายามหมั่นสาธยายต้องบ่นเอาไว้เสมอแกก็จะูุหรือบ้านเรือนมีการไม่บ่นเป็นมุนทินการปกครองบ้านเรือนนั้นตัวบ้านเรือนเองหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนมันก็เป็นของไม่เที่ยงทีนี้ทำยังไงจึงจะให้อยู่ในสภาพที่เราพอใจประส่วนลึกๆของเรานั้นต้องการให้ มันเกิดเป็นความสวยงามเป็นความประณีตพเจาก็ทรงสอนให้หมัน่นดูแลเอาใจใส่ปัดปัดเก็บงามรักษาสิ่งต่างๆไว้ให้เรียบร้อยสวยงามเมื่อทำอยู่เสมอไอ้ความไม่เที่ยงนันก็แสดงอาการเราคว้าตักก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สอนในแนวนี้เรื่อยๆไป พิธีการสอนเนื่องจากพื้นจิตของคนนั้นบางครั้งเป็นการรวบเอาเรียกมามองเป็นภาพรวมๆแล้วก็กำหนดหมายว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนพระเจ้า ก, ก็จะเชื่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ว่าความเป็นเราหรือของเราหรือแม้แต่ตัวตนของเราก็เป็นของไม่เที่ยงการเชื่อเห็นว่าตัวตนเป็นของไม่เที่ยงนั้นอย่างที่ทรงแสดงแก่พระปัญญวัคคีในอนัตตลกนิสุป แต่การจะสลายหเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็ต้องสอนให้เห็นว่าไม่มีตัวตนซะก่อนเพราะถ้าหากว่าไปคิดว่ามีตัวตนยืนรงซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลส่วนมากนั้นไอ้ความความคิดเหล่านี้ไม่ถูกสลายการจะมองว่าไม่เที่ยงก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเวลาสอนจึงเริ่มที่อนัตต า, ตาคือความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไปก่อน หรือแม้แต่การสอนพวกพระภิกษุณีที่ติดในความสวยงามกาหนดความสวยงามว่าเป็นของเที่ยงแท้แ น, น่นอนก็ตามมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเช่นพระเขมาเถรีพระรูปนันธาเถรีอภินันธาเทรีเป็นต้นซึ่งถ้าเหล่านี้สรุปแล้วท่านไปมองที่ตัวท่านมาเที่ยงแล้วมองที่ความสวยงามในตัวท่าน่าเที่ยงนั่นคือปัญหาใหญ่ที่กอให้เกิดการหลงยึดติด แล้วยามปรุงให้เที่ยงอยู่เสมอให้รู้สึกว่าสวยงามอยู่เสมอแม้คนเด่นจะแม้แมคนอื่นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ท่านก็พยายามที่จะฝืนความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพื่อการจะให้เห็นความไม่เที่ยงในลักษณะนี้มันก็ต้องหาอยังใดอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยโดยใช้รูปนิรมิตขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงซึ่งอยู่ในวัยเด็กกว่าท่านในวัยิบหปุก อยู่ในวัยที่กําลังสวยงามแล้วไกรรูปนั้นเปลี่ยนแปลงในเวลารวดเร็วเพราะท่านก็เห็นได้เพราะแม้รูปที่ประณีตขนาดนี้ความสวยงามที่สวยกว่าท่านขนาดนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้และถึงจุดหนึ่งก็แตกสลายไปท่านก็เข้าถึงความเป็นจริงในสัจธรรมส่วนนี้ ก็จเจริญในปั ส, สนาบนรรลุมัคคุลไปได้หรือบางครั้งพวกที่ถือว่าสถานะความเป็นหรือว่าตัวตนเป็นของเชื่องแท้แน่นอนอย่างการที่พระเจ้าทรงไปทรมานพระกาพรมอย่างที่แสดงไว้ในเรื่องพุทธชัยมงคลก็นี้จะเห็นได้ว่าสถานะของโภมนั้นเป็นสถานะที่ยังจีน มันยืนนานพอสมควรเมื่อเที่ยวกับอายุมนุษย์อายุเทวดาแล้วผุมเขาก็ยืนกว่าวัาการที่จะสอนให้ท่านไปเห็นว่าร่างกายของท่านไม่เที่ยงมันก็สอนยากวิธีจะใช้ก็คือใช้ปุพเพในวาส า, านุสติญาณเกลให้ท่านระลึกชาติได้ให้อาศัยความระลึกชาติได้ของท่านนั่นเองย้อนระลึกไปย้อนระลึกไปก็เป็นการมองภาพ ร, มรวม เห็นว่าถ้าสถานะความเป็นพรหมเที่ยงแท้แน่นอนจริงก็แสดงว่าตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นท่านต้องเป็นพรหมอยู่อย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่พอท่านลึกชาติไปก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นพรหมอยู่เสมอไปและแม้แต่เป็นพรหมบางทีต่อต่อกันแต่ก็เปลี่ยนชั้นเปลี่ยนความประณีตในด้านรูปร่างในด้านภูมิของจิตและในที่สุดเมื่อ ท่านมองเห็นเป็นข้าวเงื่อนว่าแม่อายุจะยืนจริงๆก็ตามแต่ก็จริงมันก็ไม่ถริงนั่นเป็นการสอนให้มองภาพรวมๆแต่บางอย่างรู้เจ้าจะเอาสิ่งที่ใกล้ๆประการมองรูปบางทีนี่มีการปรุงแต่งกันอยู่มีการบริหารร่างกายดีๆอายุตั้งนานแล้วก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันก็เห็นยาก ก็ทรงสอนโดยอุปมาเทียบเคียงก็คล้ายๆกับบีบอายุของรูปนิรมิตรที่ทรงสอนประนางเขามานั่นเองคือออยนสั้นเข่าคือตัดการออกไปคือจากจุดเกิดถึงจุดดับมันก็ใกล้กันนิดเดียวเห็นความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ถี่ยิบตอนั้นจึงทรงสอนแนวอุปมาเพรารูปนั้นเปรียบเหมือนฟองน้ําที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบ แสดงว่าฟองน้ำนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยบางทีแกก่อตัวเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้แต่วในที่สุดแกก็เปลี่ยนในตัวของแกจนถึง ก, กลุ่มใหญ่ๆเหล่านั้นเสื่อมสลายไปหมดก็กลายเป็นน้ำธรรมดาไปนี่แสดงว่าเป็นการย่ออายุของรูปหลงให้เสมอด้วยฟองน้ำแทนที่จะเสมอด้ดยรูปกายของบุคคลทั้งหลายเพราะรูปกายนั้นอาจจะอยู่ถึงร้อยปีหรืออาจจะอยู่นานกว่านั้นก็ดูยาก ก็มาดูที่ฟองน้ำแล้วก็น้อมก็มาหาเราอีกทีหนึ่งก็เห็นจุดที่ต่างกันก็คือว่าฟองน้ำนั้นมีเหตุปัใจจัยให้คงอยู่น้อยกว่าแก่จึงเสื่อมสลายไปเร็วแต่รูปนั้นมีเหตุปัจจัยคงอยู่แข็งกว่ามันก็เสื่อมเสื่อมสลายไปช้าแต่จริงๆแล้วก็คือความเสื่อมสลายซึ่งจะอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันเรื่องเวทนาที่บังเกิดขึ้น สร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอโดยเฉพาะคือพอใจกับไม่พอใจพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองเหมือนกับตอมน้ําเล็กๆพระเวทนาเวลาเกิดนั้นจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมาจะทุกข์มาจะสุขก็ตามเป็นเกิดชั่วขณะเรียรูปเดียวก็หายไปแล้วบางทีดีใจนี่พร้อมๆกับเสียใจคือต่อเนื่องมากับเสียใจเช่นบางคราวได้รับจดหมายจากคนนั้นเป็นที่รัก คืก่อนจะแกะซองออกอ่านก็ดีออกดีใจอ่านไปแล้วทราบข่าวความสูญเสียการพลัดพราก็ร้องไห้ต่อเนื่องกับความดีใจนั่นเองแสดงว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นแกก็ต่อเนื่องกันอย่างนี้อาจจะเป็นสุขอาจจะเป็นทุกข์ต่อกันไปหรืออาจจะทุกข์แล้วสุขก็ได้เราก็สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจวัน แต่บางทีเราก็ติดสุขมันก็ดูยากก็มาดูเฉพาะที่ตอมน้ําเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างเงี้ยไม่ได้คงที่เลยฟองน้ํานั้นนานกว่าตอมน้ํานั้นจะเร็วกว่าแต่ตอมน้ํากับฟองน้ําแม้จะเร็วแม้จะช้ามันก็อยู่ในสภาพเดียวกันท่งสอนให้มองสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในการจำรูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจำผลิตภัณฑ จำธรรมะหรือจำอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจแต่บางทีนั้นท่านเน้นอย่างเดียวคือความจำในสีต่างๆท่านเน้นเฉพาะจำสีต่างๆเราจะเห็นว่าบางครั้งเกิดสีผสมไม่จะพวกแม่สีเราก็แยกไม่เคยออกเป็นสีอะไรหรือว่าแสงสว่างไม่เอื้อพอก็วินิจฉัยตัดสินสีเหล่านั้นไม่ได้ จะทำให้ความจำหมายของเราคลาดเคลื่อนไปแต่จริงแล้วความจำหมายนั้นไม่เที่ยงนันเปลี่ยนแปลงเร็วมากอาจจะเร็วกว่าเวทนาด้วยซ้าไปบางครั้งแต่พวกนี้เขก็ต่อเนื่องกันแต่น้นพาพระเจ้าจึงทรงสอนให้มองเหมือนกับพยับแดดคือในสมัยโบราณหรือแม้ในสมัยปัจจุบันถ้าเราออกไปข้างนอกถ้ามองไป ที่แสงแดดจึงร้อนจัดคือจะมองเห็นเป็นรูปในลักษณะต่างๆจริงๆรูปนั้นไม่มีจริงคือจะเดินไปเท่าไหร่ก็ตามเราไม่ถึงรูปหลตรนั้นหรือมองง่ายๆนะสมเหมาะสมกับยุคสมัยมันก็เหมือนกับมองถนนในทํากลางแสงแดดหรือทํากลางฝนตกเราจะมองเห็นว่าถนนนั้นเป็นมันมะม่วคือดูสวยงามแล้วกัน แต่ริงขับรถไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสภาพนั้นเพราะจริงๆสภาพนั้นไม่มีเพียงแต่เป็นการมองจากไกลๆก็มองเห็นไปอีกอย่างหนึ่งแต่พอไปถึงก็จริงๆมันจะมีสถานะอีกอย่างหนึ่งทั้สิ่งตั้งหลายที่เรามองจากไกลๆก็จะเป็นที่น่าใคร่ปรารถนาพอใจก็คล้ายๆกับที่เราพูดถึงดวงจัน ง, งามคือมักจะอุปมาความงามเทียบกับดวงจันทร์ ทำไมจึงมองเหนเ็นความสวยงามเพราะว่าเป็นการมองจากไกลแต่นั่นเองแต่ถ้าข้าไปใกล้จริงข้าไปใกล้ๆจริงๆดวงจันทร์ไม่มีลักษณะอย่างที่เราเห็นนันสัญญาบางก็เป็นเช่นเดียวกันสัญญาจึงเป็นเหมือนพยับแดดจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันและจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นดันั้นจะมีความเสื่อมอยู่เสมอ แม้แต่การฟังการอ่านเป็นสังเกตว่าใครฟังครั้งหนึ่งหรือว่าอ่านครั้งหนึ่งก็ไปจำได้ั้งส0สิกห้าเปอร์เซ็นี่บุญนะเกินถ้าต้องการให้จำได้มันก็ต้องอ่านบ่อยๆนั้นก็คือเป็นการยอมรับว่าความจำให้เที่ยงต้องการให้การอยู่นานๆก็ต้องอ่านบ่อยๆต้องคิดบ่อยๆต้องท่องไปไปบ่อยๆโดยในยะที่กล่าวแล้วพอมาถึงสังขาร คำระสังขานในขันหา 5, นั้นอย่างที่บอกไล้ ว, ว่าตัดไมายเอากุศลอกุศลและสิ่งที่เป็นกลางๆพูดง่ายๆก็คือธรรมะทั้งหลายนั่นเองยกเวน้นพระนิพพานนอกนั้นมันก็เป็นอยู่ในกลุ่มสังขารแต่จริงนิพพานก็เป็นโลกุตระกุศลก็อยู่กลุ่มอยู่ในกลุ่มของกุศลธรรมเพียงแต่เป็นโลกุตระกุศลเท่านั้น เพสังขารนั้นอาจจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีหรือกรทั้งกลางๆแต่เพึงสังเกตว่าไม่ว่าดีไม่ดีหรือกลางๆ ก, ก็ตามเช่นระหว่างความรักกับความชังมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองและการกําหนดบุคคลกําหนดอารมณ์บุคคลบางคนบางขณะเรารักแต่บางขณะเราอาจจะชังแสดงว่าตัวสังขารที่ขึ้นปรุงแล้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมัน ในตัวบุคคลที่เราไปปรุงมันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของเขาลักษณะอารมณ์ที่เราที่เกิดขึ้นจากการปรุงมันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของอารมณ์แสดงว่าทุกอย่างนั้นเป็นกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งแล้วไาถึงจุดนี้ไปสังเกตว่าในฝ่ายของกุศลพระเจ้าทรงสอนให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแต่ในขณะเดียวกันเราต้องการจะเพิ่มพูนขึ้น เราก็ต้องพยายามเพิ่มแก่เรื่อยๆเพราะว่าแก่ไม่เที่ยงโดยสภาพของแก่ทีนี้ฝ่ายของอกุศลฝ่ายไม่ดีจะเป็นความโกรธความริษยาความอาฆาตความยายบาทได้ไรก็ตามเรายอมรับว่าแก่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าเราไม่เพิ่มเชื้อให้แก่พักเดียวแกก็าหายไปก็ปล่อยแก่ไปเรื่อยๆไม่สนใจไม่ใส่ใจเช่นหัวความโกรธเราไม่ไปคิดถึง ไม่คิดถึงบุคคลนั้นไม่คิดถึงอารมณ์นั้นสักพักหนึ่งก็หายแต่จะตั้งปัญหาถามว่าทําไมจึงอยู่ได้ก็เพราะเราไปคิดถึงกั บ, บ่อยๆคิดถึงบุคคลนั้นบ่อยๆคิดถึงเหตุที้เขาที่เขาทาให้เราโกรธ บ, บ่อยๆหรือคิดถึงตัวความรู้สึกโกรธนั่นเองบ่อยๆแล้วก็เป็นการเพิ่มก็คล้ายๆกันน้ําซึ่งไม่เที่ยงมันระเหย อ, อยู่ตลอดแต่เราก็เติมกันไปเรื่อยๆแกก็เต็มอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าไม่ไปเติมอะไรแกในจุดหนึ่งแกก็ละเหอไปหมดเองลักษณะของสังขารจะดีไม่ดีหรือกลางๆที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็ต้องพระพุทธเจ้าสอนให้เพิ่มในส่วนกุศลแต่สอนให้ลดในส่วนที่เป็นอกุศลเพราะรอะไรเพราะอกุศลนำหน่วยผลเป็นความสุขให้ อกุศลอำนวยผลเป็นความทุกข์ให้หยุดพุ่งหมายในการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการความสุขเพราะงั้นอะไรที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ตัดรลอนเดียวอะไรเหตเป็นเหตุแห่งความสุขก็พยายามเพิ่มขึ้นทีนี้มาถึงตัววิญญาณซึ่งจะเห็นว่ากระบวนการเกิดของขันห้าในแต่ละขะาดือพูดเฉพาะในแต่ละขณะเห็นว่าวิญญาณนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ต่อไปก็จะเป็นสัญญาคือการกาหนดหมายและในที่สุดตัวสังขารจะขึ้นปรุงตามขื้นของสัญญาที่จําไว้ต่อไปก็จะเป็นเวทนาคือเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วเกิดขึ้นถึงถึงรูปบ้างหรือเกิดขึ้นเฉพาะใจบ้างก็แล้วแต่การกาหนดในแต่ละขณะยิ่งวิญญาณยิ่งจะเกิดดับเร็ว ไม่ว่าจะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ตามแต่เราถึงตึกนึก ถ, ถ, ถ, ถ, ถ, ถึงอารมณ์มันเป็นเกิดดับถ้าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่กลับสร้างปัญหาขนาดมาขึ้นมาให้ในชีวิตของคนเพราะอะไรเพราะว่าความดีและไม่ดีนั้นมันเกิดสืบเนื่องมาจากวิญญาณทั้งหมดเนื่องจากเรารับรู้แก่ทางตาหูจมูกลิ้นกาย เก็บไว้ภายในใจจะในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทำอย่างไงถึงจะตัดกระแสวิญญาณบางกระแสออกไปแล้วก็ปล่อยวิญญาณนั้นตามสภาพของแก่คําว่าวิญญาณในที่นี้ก็คือการรู้อารมณ์ที่ผ่านมาต่างตาหูจมูกลิ้นกายท่เรียกว่าวิญญาณนักขันวิญญาณนักขันนั้นจะเน้นไปในส่วนของจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ซึ่งผ่านมาต่างตาหูจมูกลิ้นกาย ฉันว่าที่จริงรูปที่เราเห็นแล้วก็ดับไปแล้วตัวรูปนั้นก็ดับในแต่ละขณะความเห็นนั้นก็ดับไปในแต่ละขณะแต่ก็กลับสร้างปัญหาเป็นความรักเป็นความช่งเป็นความสุขเป็นความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลบางครั้งรูปที่เราเห็นมันไปหายไปตั้งนานแล้วแต่ว่าความรู้สึกนั้นยังตกค้างอยู่ภายในใจ ด้วยความรู้สึกว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนามันก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเกิใจิตใจได้ตลอดแต่จริงๆรูปนั้นได้หายไปแล้วมันยังเหลือแต่ความจําที่ก่อตัวเป็นความจํามีการปรุงจากสังขารนั่นก็สร้างเวทนาขึ้นทสิ่งเหล่านี้ที่จริงเราสร้างเราเองไม่ใช่รูปนั้นเป็นตัวสร้างให้เราเพราะรูปแกก็ดับไปแล้วเพราะไม่มีเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคล้ายๆกับเสียงด่าหรือเสียงยกย่องสันเซิน พูดจบมันก็ดับแล้วเขายกย่องชมเชยสรรเสริญพูดเขาพูดจบก็ดับแล้แต่ทําไมไม่ดับเพราะเราไปปรุงไปปรื่มไปชื่นชมกับคํายกย่องสรรเสริญเหล่านั้นเขานี้จะเห็นว่าก่อให้เกิดความประมาทเรียกว่าท่านที่ท่านมักใช้คำว่าเลินเลอ่อเผลอเผลอคือหลงปลื่มจนเกิดเล่นเลอ่อเผลอเผลอบางทีเราก็เห็นอาการของ ความหลงปลื้มต่างๆเช่นมีการเฉลิมฉลองมีการเต้นแรงเต้นการและในสุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในในขณะที่เต้นกันอยู่นั่นเองนั่นคืออาการที่มันสะท้อนออกมาหเห็นเป็นรูปธรรมว่าที่จริงแล้วเราไปปลื้มกับสิ่งที่ตายแล้วที่มันดับไปแล้วแต่เราก็เก็บไปแล้วก็นํามาปรุงต่อแล้วก็เพลิดเพลินเรื่องหลงกันเพราะมาส่วนที่ไม่น่าปรารถนาพวกก็คือการคือพอเห็นป้าแก่ก็ดับแล้ว อย่างคนก็นินทาเนี่ยเขาพูดจบไปคํานินทานั้นก็ดับแล้วแล้วบางทีนี่ให้แกพูดซ้ําอีกทีก็อาจจะพูดไม่ได้ได้ทำไปแต่ว่ายังเหลืออยู่ที่ใจเราเราก็รับคํานินทานเหล่านั้นมาเก็บไว้ภายในใจแล้วก็เดือดร้อนจากคําที่เขาตายไปได้เหมือนกันเพราะกลิ่นรสโผฏภะก็ทํำนองนั้นหเห็นว่าที่จริงแล้วมันดับตลอดเลย มองให้ชัดมันก็เหมือนกับเรานั่งรถเร็วๆแล้วก็มองภาพพิมพ์ทางรูปเสียงตุกจา่งนั้นดับดับดับอย่างต่อเนื่องแต่ว่ารูปบางทีเราไปตั้งหลายสิบกิโลแล้วรถไปหายไปตั้งหลายสิบกิโลแล้วรูปเหล่านั้นยังค้างอยู่ภายในใจเราคือตัววิญญาณความรู้รูปรู้เสียงรู้กลิน่นรูร้รถรู้ผุทธภาพเป็นต้นนั้นยังค้างอยู่ภายในใจเรามันก็นาไปปรุงต่อ วันวิธีแก้ในทางปฏิบัติเพื่อจะใครจัดไอการจำรูปที่ไม่ดีเอาไว้แล้วสังขารจะไปปรุงให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วก็สร้างทุกเวทนาเอาขนาดนี้ซะก่อนนั่นก็คือการปล่อยให้แกดับไปตามสภาพของแกสำนวนปัจจุบันที่เขาใช้กันที่เขาเรียกว่าปลุกผีที่ริงฟังดูเข้าวีคือเ้าตายแล้วแต่เราปลุกขึ้นมา อารมณ์ทั้งหมดที่เกิดแก่ตายแล้วโดยสภาพแกแต่คนก็ไปปลุกขึ้นมาแล้วก็มาหลอกล้อนตัวเองแล้วสร้างความหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทำนองกับบุคคลที่ไปในสถานที่บางแข่งเช่นยกตัวอย่างมาปาช้าที่เขาลือกันว่าผีดุและจริงๆนั้นใครก็ไม่เคยพบผีในที่นั้นเพราะผียิงเกก็ตายไปแล้ว เราก็ไปปรุงขึ้นมาแล้วก็เกิดหวาดกลัวเองตัวสันเองจับไข่เองแล้วก็หัวโกรนเองคือทํำมาเองหมดทั้งเรื่องโดยอาศัยการปรุงจากวิญญาณคือความรู้ข่าวที่จริงมันเป็นการรู้ข่าวคือโสตะวิญญาณเฉยๆคือเราไม่ได้รู้รูปเพราะรูปเราไม่เคยเห็นข่าวไอ้เสียงเราก็ไม่เคยได้ยินแต่เราได้ยินเฉพาะข่าวคือเสียงผีจริงๆเราไม่เคยได้ยินแต่ได้ยินเฉพาะข่าว่วาผีดุเท่านั้นเอง ปัญเรื่องทั้งหมดจึงอยู่ที่การไม่ยอมให้สิ่งที่ตายมันตายที่เดินชายสนุนมาปลุกผีซึ่งฟังดูแล้วเป็นรูปธปรรมดีลักษณะของอารมณ์เป็นเช่นนั้นปันวิธีแก้ไขในชั้นนี้คือในชั้นของชีวิตประจำวันก็คือทำยังไงว่าไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหลายก็ให้แล้วกันไปเรียบร้อยแกดับไปเลยแกดับของแกแล้วไม่ต้องปลุกแกขึ้นมา ทีนี้นเรื่องที่ดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สุขภาพกายสุขภาพจิตแก่เสื่อมไปแก่เปลี่ยนแปลงไปเราก็พยายามเพิ่มเติมขึ้นพยายามเพิ่มพูนขึ้นเพื่อให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบในชีวิตของบุคคลแต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องมาจากการคิดว่ามันเที่ยงจึงมีการยื้อแย้งมีการต่อสู้ทำถูกบ้างทำผิดบ้างและก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นการทำผิดโดยไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงแท้เป็นของแย่ ง, งยงืนทำยังไงว่าความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาบ้างว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาในทางชอบหรือในทางไม่ชอบก็ตามสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าได้มาในสิ่งที่ไม่ชอบนั้นจะต้องรับผิดชอบตัวบาปที่เรากระทำได้มาในทางที่ชอบนอกจากรับความสุขความปลื้มใจในปัจจุบันแล้วเราได้รับผรดกที่เป็นกุศลเพราะการกระทาเหล่านั้นดังนั้นในชั้นศีลธรรมจัญญาจึงเป็นปัจจัยให้บุคคลได้งดเว้นปิก้นทางแห่งบาแ่งกุศลเอาไว้เพราะไอ้พวกนี้มันก็ไม่เทียงแล้วก็เพิ่มปูนทางที่เป็นกุศลขึ้น เือให้ชีวิตของตนได้สัมผัสความสุขเพราะการเรียนรู้จากความไม่เที่ยงที่จริงแล้วมันก็ช่วยทุกขั้นตอนแม้แต่การที่ทรงสอนเรื่องอภินหนปัจเวกขณะที่ให้สวดสาตยายกันอยู่หนึ่งหนึ่งเสมอนั้นก็คือการเตรียมใจยอมรับความไม่เที่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราและแก่สิ่งแก่คนแก่สัตว์สิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับเราที่ทรงสอนในรูปของการพลัดพรากเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันเวทนาที่เกิดขึ้นแกเรานั้นม า, มาจากเขตปัจจัยสุขบ้างทุกบ้างเป็นอดีตบ้างเป็นปัจจุบันบ้างเมื่อปัจจุบันปิดกั้นได้แต่ก็อย่าลืมเรื่องอดีตอดีตอาจจะมีอยู่ในส่วนที่ไม่ดีเพรอมันเกิดขึ้นมาก็พิจารณาจากข้อที่5ที่พิจารณาถึงกฎแห่งก ร, รรมอย่างที่สวดสาธยายกันและสิ่งเหล่านี้แหละจะช่วยเป็นหลักค้ำยันจิตใจของบุคคลไม่ให้อ่อนไหวไปตามอารมณ์เหล่อนั้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเพราะอำนาจความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจวันมากเกินไปจิตใจก็ได้ความสุขความสงบตามสมควรแก่พื้นฐานแห่งธรรมะที่ตนสัมผัสได้ในขณะนั้นๆต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป